ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างความดีสร้างความฉลาดคือสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาสิ่งมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรม ซึ่งเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจให้เจริญก้าวหน้าให้มีความรุ่งเรืองมีความร่มเย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเทศฟังธรรมเป็นการให้แสงสว่างแก่ชีวิตจิตใจ พวกเราที่ยังมีความมืดบอลของความหลงของอวิชชาความไม่รู้จริงทําให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักษเป็นดอกบัวเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนว่าเที่ยงแท้แน่นอน เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราเมื่อมีความเห็นที่ผิดการกระทำก็จะผิดก็จะคิดผิดแล้วก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้แก่ใจถ้ามีความรู้ที่ถูกต้องมีแสงสว่างแห่งธรรมให้เห็นว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นสุขมีแต่ให้ความทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเมื่อเห็นอย่างนี้ใจก็จะไม่ไปมีอุปทานความยึดติดเมื่อไม่มีอุปทานความยึดติดก็จะไม่มีความอยาก ให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์เพราะจะไม่ได้กังวลว่าจะได้ตามความอยากหรือไม่นั่นเองสิ่งของอันใดที่เป็นของเราเรามักจะมีความรู้สึกทุกข์กังวลไปกับเขา สิ่งของที่ไม่ใช่เป็นของเราเราจะไม่รู้สึกทุกข์กังวลทั้งๆที่สิ่งของที่เราถือว่าเป็นของเราและของที่เราไม่ได้ถือว่าเป็นของเรามันก็เป็นสิ่งของอันเดียวกันต่างกันตรงที่ใจของเราไปถือว่าเป็นของเราหรือไม่ถ้าไปถือว่าเป็นของเรา ใจของเราก็จะมีความผูกพันมีความยึดติดก็จะมีความทุกข์มีความกังวลไปกับของของตนเพราะอยากจะให้ของของตนนั้นอยู่กับตนไปนานๆอยากจะให้ดีไปนานๆแต่เราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราเห็นตัวอย่างว่า ของเหล่านี้บางทีก็ไม่ดีไปตลอดบางทีก็ไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเป็นของของคนอื่นเราจะไม่กังวลเราจะไม่ทุกข์เพราะเราไม่มีอุปทานไปยึดไปถือว่าเป็นของเราดังนั้นปัญหาของพวกเราก็อยู่ตรงที่เราไปหลงยึดติดว่าเป็นของเรา ทั้งๆ ท, ที่เขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเพราะเขาจะไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งถ้าเขาไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากเขาไปก่อนเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากร่างกายของเราไปเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยไม่สามารถที่จะเอาของที่เราเรียกว่าเป็นของเราไปกับเราได้ ไม่สามารถเอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆของเราไปได้ไม่สามารถเอาบุตรทิดาสามีภรรยาของเราไปกับเราได้นี่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงนั่นเองนี่คือแสงสว่างแห่งธรรมถ้าเราศึกษาได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆ เ, เ, เราก็จะได้ เกิดความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้ให้เขาจากเราไป mm hmm. ถ้าเรารู้ว่าของไม่ใช่เป็นของเราเช่นเราไปยืมของคนอื่นเขามา mm hmm. ไปยืมของชใช้เช่นยืมข้าวหม้อข้าวยืม กระทะมาใช้งานเราก็รู้ว่าเมื่อเราเสร็จภารกิจการงานเราก็ต้องเอาไปคืนเขาเวลาที่เราไปคืนเขาเราก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดไม่รู้ไม่รู้สึกเสียดายแต่อย่างใดเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นของของเราดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานับตั้งแต่ร่างกายของเรานี้ เราก็ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นของเราถือว่าเป็นของคนอื่นเรายืมเขามาเช่นร่างกายนี้ก็เป็นของพ่อของแม่ที่เราได้มาจากพ่อจากแม่แต่ก็ไม่ได้เป็นของพ่อของแม่โดยตรงพ่อแม่ก็เอามาจากลินน้ำลมไฟแล้วก็เอามาปั้นให้เป็นตัวเป็นรูปร่างเป็นตัวเรา พอเราได้มาครอบครองเราก็ต้องทำความเข้าใจไว้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราเป็นของดินน้ำลมไฟสักวันหนึ่งดินน้าลมไฟเขาก็จะมาเอาคืนไปเวลาที่คนตายไปถ้าเราพิจารณาดูเราจะเห็นว่าร่างกายของเขานั้นจะเริ่ม สลายไปเพราะว่านินน้ำลมไฟที่มารวมกันอยู่ในร่างนั้นเขาจะแยกออกจากกันคนตายถ้าปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวพ่วงน้ำต่างๆก็จะไหลออกมาเ น, นอากาศลมก็จะระเหยออกมาความร้อนก็จะออกมาจากร่างกาย ทำให้ร่างกายนี้เย็นไม่เหมือนกับร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าจะ ต, ต้องตัวคนที่มีชีวิตอยู่นี้ร่างกายเขาจะมีความร้อนเพราะว่าธาตุไฟยังไม่ได้ออกจากร่างไปหมดยังมีอยู่ในร่างกายธาตุลมก็ยังมีเข้าออกอยู่ตลอดเวลาธาตุน้าก็มีเข้าออกตลอดเวลาเวลาเราดื่มน้ำ เราก็เอาธาตุน้ำเข้าไปในร่างกายเวลาเราขับถ่ายปัสสาวะเราก็ขับธาตุน้ำออกมาแต่ธาตุน้ำที่เหลืออยู่ร่างกายก็ยังมีอยู่ถ้าตราบใดธาตุทั้งสี่ยังอยู่รวมกันในร่างกายร่างกายนี้ก็ยังดาเนินต่อไปได้แต่พอถึงเวลาที่ธาตุทั้งสี่นี้ เขาแตกความสามัคคีกันเขาขอแยกทางกันเหมือนสามีภรรยาที่เขาแยกทางกันชีวิตของคู่สมรสก็จะหมดไปอยากการเป็นสามีพันภรรยาก็จะหมดไปกับกลายเป็นนายกับกลายเป็นนางสาวใหม่เช่นเดียวกับร่างกายพอธาตุสี่เขา ต้องการที่จะแยกทางกันร่างกายนี้ก็จะไม่เหลืออยู่อยากลายเป็นดินน้ำหลงไฟไปนี่คือของที่เราได้มาที่เราหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเรามีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำหลงไฟใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ นีไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ใจเนื่องจากมีความหลงมีความไม่รู้จริงพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาทันทีเพราะว่าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว ใจจะไม่รู้สึกอะไรกับการแยกออกของธาตุทั้งสี่ที่มีอยู่ในร่างกาย <c oughs> เมื่อถึงเวลาที่เขาจะแยกก็รับรู้ตามความเป็นจริงใจก็แยกออกจากกายไปใจถ้ายังมีความหลงอยู่ก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไป อย่างพวกเราเวลาตายไปนี้ถ้าเรายังไม่สามารถมีแสงสว่างแห่งธรรมที่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะต้องมาเจอปัญหาแบบร่างกายอันเก่านี้คยอได้ร่างกายอันใหม่มาได้แล้วต่อไปก็ต้องสูญเสียร่างกายใหม่นี้ไปถ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมมีม ความรู้ทันก็จะไม่ไปสแสวงหาต่อไปใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นอย่างนี้ใจของพระพุทธเจ้ามีแสงสว่างแห่งธรรมดูแล้วว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นของใจถ้าไปเอาร่างกายมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องสูญเสียร่างกายนี้ไปดังนั้นพอสูญเสียร่างพอร่างกายอัเก่านี้ดับไป ใจก็จะไม่ไขวยคว้าไปหาร่างกายอันใหม่อีกอย่างนี้เรียกว่าไม่ไปเกิดแล้วไม่ไปหาความทุกข์แล้วเพราะถ้าไปหาความทุกข์ไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะได้ความทุกข์แถมมาด้วยความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายและความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพรากจากสิ่งต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทุกข์กันอยู่ พวกเรามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องทุกกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้าเรามีแสงสว่างแห่นทางคอยสอนเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เราหลงไปอยากได้ร่างกายอันใหม่เราก็จะไม่ไปเกิดหมหอีกเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้า คือใจของเรานี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ใจที่ไม่ไปเกิดนี่แหละเป็นใจที่ประเสริฐที่สุดใจที่ยังไปเกิดนี้ยังต้องไปใช้เวรใช้กรรมไปทุกข์ในตาภพชาติต่างๆไปรับผลผลกรรมที่ได้ทำไว้ในอนดีต อย่างพวกเราที่ต้องรับผลกรรมในชาตินี้ก็เพราะว่าเราไม่หยุดเกิดนั่นเองเรายังกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าถาใดเราไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ที่สอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเรานี้มาสอนใจเราแล้วปฏิบัติให้ได้ตามความจริงคือจะไม่ยึดติดกับอะไรเลย จะเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เป็นของเราจริงๆร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เป็นของเราพรอมที่จะคืนให้เจ้าของเขาไปสามีหรือภรรยาก็ไม่ใช่เป็นสามีหรือภรรยาของเราพรอมที่จะให้เขาไปถ้าเขาจะไปไปหาเจ้าของใหม่ก็ให้เขาไปลูกก็เช่นเดียวกันสมบัติเข้าของเงินทองก็เช่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยนี้มามีไว้เป็นสมบัตินี้จะต้องปล่อยให้หมดจะต้องไม่ยึดไม่ติดให้หมดถ้าไม่อยากจะไปเกิดใหม่ถ้าทำได้แล้วจะอยู่อย่างสุขสบายไปจนวันตายและหลังจากที่ตายไปแล้วด้วยใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี้ไม่มีวันตายแต่ใจนี้มีความมีมีโอกาสที่จะทุกข์ได้ถ้าโง่ไม่ฉลาดถ้ามีความหลงไปยึดติดสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราดังนั้นเราต้องพยายามสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วก็พยายาม ตัดดูพยายามทดสอบจิตใจดูเรายึดติดกับสิ่งไหนเราก็เอาสิ่งนั้นมาทดสอบใจเราดูว่าถามใจเราว่าเป็นของเราหรือไม่พระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราดังนั้นเราต้องทดสอบใจดูว่าเราตัดได้หรือไม่เราไม่ยึดติดได้หรือไม่ ด้วยการยกสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นของเรานี้ให้กับคนอื่นไปเช่นเรามีเงินมีทองที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยแทนที่เราจะเอาไปซื้อของตามความอยากของเราเราก็เอาเงินนี้ไปให้คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทดสอบจิตใจ ถ้าเราให้ได้ก็แสดงว่าเราไม่ยึดไม่ติดในเงินทองอันนั้นถ้าสามีหรือภรรยาของเราหรือแฟนของเราเขาขอแยกตัวออกจากเราเขาอขอไปเขาไม่ขอเป็นแฟนเราอีกต่อไปเราก็ต้องทดสอบใจของเราดูว่าเราให้เขาไปได้หรือไม่เราให้เขาไปโดยที่เราไม่รู้สึกเสียอกเสียใจได้หรือไม่ เราลองถามตัวเราเองดูก่อนก็ได้ตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วสมมติดูว่าเกิดวันนี้เราจะต้องเสียเขาไปเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเรายังรู้สึกไม่ดีแสดงว่าเรายังหลงอยู่แสดงว่าเรายังปล่อยวางไม่ได้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราก็ยังต้องทุกอยู่กับการสูญเสียแล้วเราก็ยังจะต้องไป เวียนว่ายตายเกิอดอีกต่อไปเราก็จะต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจนี้เราไม่ต้องไปโทษคนอื่นอย่าไปมองสิ่งอื่นให้มองที่ใจเรานี้แหละถามใจเราว่าที่เราทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเสียดายใช่ไหมเราเสียสิ่งที่เรารักเราหวงไปใช่ไหม เราลืมไปแล้วหรือว่าพระพุทธเจ้าสอนเราไว้ไว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนเราว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราต้องเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ช้าก็เร็วพอตอนนี้เราเสียไปแล้วเราจะมาเสียใจทาไมมาร้องห่มร้องไห้ทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าเราไปเปลี่ยนความจริงไม่ได้เราไปเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราให้เป็นของเราไม่ได้ เขาไม่ใช่เป็นของเราเขาต้องจากเราไปเราไปห้ามเขาไม่ได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อปลดเปื้องความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของเราถ้าเราสามารถตัดได้แล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่ทุกข์กับอะไรเลยเช่นเราเป็นทหารเราจะไม่ทุกข์กับการเลื่อนตำแหน่ง ว่าเราจะได้เลื่อนหรือไม่ตำแหน่งนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันจะอยู่กับเราหรือไม่อยู่กับเราเราก็ไปห้ามมันไม่ได้หรือเรามีงานมีการเราก็ไปห้ามงานการที่เราทําอยู่ไม่ได้เหมือนกันว่าจะอยู่กับเราจะได้ทํางานนี้ไปตลอดหรือไม่เราอาจจะตกงานเมื่อไหร่ก็ได้เพราะงานนี้มันก็ไม่ใช่เป็นของเรา เป็นของชั่วคราวทท้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเราถึงต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทุกขณะพร้อมที่จะเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เมื่อเวลาที่มันจะเสียเกิดขึ้นมานี่คือการสอนใจของเราเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ให้หมดไป ต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าอา จ, จะเป็นอะไรก็ตามความทุกข์ของเรานี้เกิดจากความหลงคิดว่าเราสามารถสั่งให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอเขาไม่เป็นตามที่เราสั่งเขาไม่เป็นตามที่เราอยากเราก็ทุกข์ใจเสียใจถ้าเรารู้อยู่ อยู่ตลอดเวลาว่าเราไปสั่งอะไรไม่ได้เราไปอยาไปหวังอะไรไม่ได้ไปอยากอะไรไม่ได้คืออยากได้หวังได้แต่จะได้สมความอยากสมความหวังหรือไม่นี้ไม่แน่นอนอาจจะสมความหวังก็ได้อาจจะสมใจอยากก็ได้แต่ก็อาจจะไม่สมความหวังก็ได้สมใจอยากก็ได้ เราต้องพยายามทําใจของเราให้เป็นกลางให้อยู่เฉยๆไม่ยินดียินร้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างได้อะไรมาก็อย่าไปดีใจขอให้จำเอาไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราได้มาแล้วสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปเช่นได้ล่าได้เงินทองมาก็อย่าไปดีใจ ให้จำเอไว้ ว, ว่าเงินทองนี้ไม่ใช่ของเราสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปหรือหรือเราต้องจากมันไปถ้าเราถ้าเราคอยเตือนใจเราอย่างนี้แล้วเราจะไม่ไม่หวังเพิ่มเงินทองเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเพราะเรารู้ว่า ถ้าเงินทองหายไปหมดไปเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเรายังมีความหลงและยังประยุดติดกับเงินทองยังอาศัยเงินทองเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเวลาเรามีเราก็จะมีความสุขอยากจะไปเที่ยวไหนเราก็เที่ยวได้อยากจะซื้ออะไรเราก็ซื้อได้แต่พอเวลาเราไม่มีเงินทองนี้เราจะทุกข์ใจ อยากจะซื้อนั่นก็ซื้อไม่ได้อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อาศัยเงินทองให้ความสุขกับเราเช่นเราไม่ใช้เงินใช้ทองไปซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นของฟุง่มเฟือยหรือใช้เงินไปกับการเที่ยวเราก็จะอยู่เฉยๆได้เราอยู่บ้านเฉยๆเราก็มีความสุขได้ ถ้าเราทำใจไม่ให้มีความอยากถ้าเราทำใจให้สงบให้นิ่งให้เป็นกลางนี่คือความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากใช้เงินใช้ท อ, อการที่เราจะทำใจของเราให้เป็นกลางได้ เราก็ต้องควบคุมใจด้วยสติเราต้องดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ใจคิดอยู่กับธรรมะเช่นให้ใจคิดอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะพอไปคิดแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอคิดถึงเครื่องดืมก็อยากจะดืม พอคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูพอคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปท่องเที่ยวจะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เมื่อคิดแล้วก็ต้องมีเงินถึงจะไปทําได้ถ้าไม่มีเงินก็ต้องไปหาเงินมาไปหาเงินมาก็ต้องลําบากลําบนต้องไปทาํางานย่ังเหน็ดเหนื่อยกว่าจะได้เงินได้ทองมา พอได้มาแล้วก็เอาไปใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดนล้วก็เงินทองก็จะไม่พอใช้อยู่เรื่อยๆถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดใช้เงินไม่ให้คิดไปเที่ยวได้ให้คิดอยู่กับคำว่าพุทธโธพุทธโธไปใจของเราก็จะสงบนิ่งเวลาใจสงบนิ่งแล้วความคิดต่างๆก็จะหายไป ตอนนั้นไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมความคิดเพราะตอนนั้นความคิดเขาไม่มีไม่ไม่ได้ทำงานเหมือนกับรถยนต์เวลาที่รถยนต์จอดนิ่งแล้วเราไม่ต้องไปควบคุมบังคับไม่ต้องคอยไปถือพวงมาลัยไม่ต้องคอยไปเหยียบเบรกเพราะรถไม่ได้วิ่งไปไหนใจของเราก็เหมือนกันเวลาใจของเราสงบแล้วนี่มันจะไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ จะบังคับให้เราต้องไปทำนู่นทำนี่ใจของเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขพอมีความสุขแล้วก็ไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะไปเที่ยวไหนอยู่เฉยๆนี่ดีที่สุดแสนจะสบายไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับคนนั้นกับคนนี้ มีแต่ความทุกข์เทนั้นการหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองถ้าเราสามารถทำใจของเราให้นิ่งให้สงบได้ใจของเราจะเป็นกลางจะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้เงินทองมาก็จะไม่ดีใจเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไปใช้อะไรมีแต่จะเอาไปช่วยเหลือผู้อื่น ได้ตำแหน่งมาก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรได้มาก็เท่านั้นเพราะตำแหน่งนี้ก็เป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองเขาสมมติว่าให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ใจเราก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาสมมุติใจเราก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่ไม่ดีขึ้นหรือเลวลงแต่อย่างใดเท่าเดิมก็เลยไม่รู้สึกยินดีกับกับตำแหน่ง เวลาโดนโยกย้ายโดนย้ายตำแหน่งก็ไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจแต่อย่างใดถือว่าเป็นงานเป็นหน้าที่เมื่อยังมีความจำเป็นยังต้องทำงานอยู่เขาให้ทำงานในตาแหน่งนี้ก็ทำไปพรุ่งนี้เขาให้ไปทำงานอีกตำแหน่งหนึ่งก็ทำไปไม่ได้ถือว่าตาแหน่งนี้เป็นสาคัญอะไรสำคัญอยู่ที่ผลตอบแทนก็คือรายได้ที่เรายัางต้องมีไว้เพื่อ ดูแลอัตภาพร่างกายของเราเท่านั้นเองแต่จะเป็นตำแหน่งสูงหรือต่ำอย่างไรก็ไม่สําคัญแต่อย่างใด <c oughs> สําหรับคนที่มีใจเป็นกลางจะเป็นอย่างนี้สําหรับคนที่รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราจะเป็นอย่างนี้จะไม่อยากได้ <c oughs> ไม่อยากมี <c oughs> เพราะรู้ว่าเมื่อมีแล้วเมื่อได้มาแล้ว <c oughs> ก็จะต้องสูญเสียไปนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่าง มีขึ้นมีลงมีมามีไปมีเจริญมีเสื่อมมีการเจริญในลาบยศสรรเสริญก็มีความเสื่อมในลาบยศสรรเสริญมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์สุขที่เกิดจากการไปเที่ยวเมื่อไม่ได้เที่ยวก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่สุขที่เกิดจากความสงบนี้จะไม่มีความทุกข์ เป็นความสุขอย่างเดียวเป็นความสุขที่แท้จริงเราจึงต้องพยายามศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วนำมาสอนใจเราอยู่เรื่อยๆเพื่อทำใจของเราให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ไปยึดไปติดไม่ให้ไปอยากได้อะไรให้ใจของเราสงบนิ่งเป็นกลางเป็นอุบเบกขาไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆ ถ้าเราทำได้แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ความวุ่นวายท่ามกลางการเจริญการเสื่อมของลาบยศสรรเสริญสุขที่เรายังต้องสัมผัสอยู่แต่ใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการเจริญรือเสื่อมของสิ่งเหล่านี้เลยเพราะใจของเรารู้แล้วว่ามันไม่ได้เป็นของเราจึงไม่มีความยินดี จะไม่มีความยินดีเวลาสูญเสียก็จะไม่มีไม่มีความเสียใจไม่มีความทุกข์จะอยู่อย่างสงบสุขไปตลอดนี่คืออ น, นิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปสอนใจไปปฏิบัติกับใจไปปล่อยไปวาง ความยึดติดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานี้ให้หมดไปจากใจแล้วเราจะอยู่อย่างโล่งเย็นเป็นสุดไม่มีความทุกข์ไปตลอดการแสดงก็เห็นว่าสมกวนแก่เวลาจึงขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขอคุณทศีรัตนารัย